สิกขาบทที่7เรื่องพระชัพพัคี582สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุิ์ชัพพัคีเดินมองดูที่นั้นๆไปในละแวกบ้านพระบัญญัติเจ็ดพึงทำความสำเนียกว่าเราจะทอดจากสุลงไปในละแวกบ้านเรื่องพระชพคีจบสิกขาบทวิพัง